อะไค่ะตอนหลังอะคะ่ะหลวงตาช่วงช่วงหลังๆนี้คือหนูสังเกตอาการว่าในคือโดยเฉพาะช่วงเวลาที่เวลางานด้วยเหมือนกันแต่ว่าคือปกติเราพยายามที่จะไม่ใช่พยายามก็คือเรารู้รู้ในขณะติตตอนที่เราทำงาน แล้วก็เวลามันมีปัญหาอะไรตอนหลังๆก็คือพยายามที่จะไม่ได้เอาจิตใจหรือว่าเอาอารมณ์ไปผูกติดแต่ว่าช่วงพักหลังๆสังเกตอาการตัวเองว่ า, าไม่แน่ใจว่ามันเป็นการเมินเฉยหรือว่ามันเป็นการแบบผักใสอารมณ์อาการนั้นหรือเปล่าคะ่ะดูเหมือนว่าจะสังเกตอาการตัวเองว่าเราจะไม่ค่อยมีความรู้สึกที่จะแบบเข้าไปเกี่ยวพันหรือว่าบางทีมันดูแบบ เหมือนเราเพิกเฉยเมินเฉยกับกับเหตุการณ์นั้นๆอย่างนี้ค่ะหนูไม่ค่อยเข้าใจว่าออลักษณะแบบนี้เนี่ยคือเป็นการที่ภายในตัวของหนูเองเนี่ยพยายามที่จะผักไสสิ่งที่มันเป็นปัญหาหรือว่าเป็นอารมณ์มาการพวกนั้นไปหรือเปล่าอย่างนี้ค่ะก็มีส่วนไอ้ส่วนถูกก็เยอะนะปฏิบัติมาส่วนที่ดีแล้วก็ดีเยอะไอ้ส่วนที่หนูต้องทาความเข้าใจเพิ่มเติมคือ จะตอบจะบอกว่าไงดิแต่มันจะเข้าใจไหมเนี่ยถ้าเข้าขใจแล้วดีเลยนะเนี่ยเข้าขใจก็คือตอนนี้เลยถึงถึงขั้นตอนนี้แล้วเนี่ยไอ้ไอ้ความรู้สึกหรือความคิดอาการต่างๆเนี่ยที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะอย่างน้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นหรือว่าเราเนี่ยเราถดถอยหนีหรือเปล่าหรือเราปฏิบัติถูกหรือเราปฏิบัติผิดหรือว่าเราเราทํานี้ถูกผิด เออเรารู้สึกว่าเราเราดีขึ้นเนี้ยเรารู้สึกว่าเราแย่ลงอะไรและแต่ความคิดเหล่านี่ยที่มันเกิดขึ้นในขณะปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันแม้แต่มีความรู้สึกว่าเออเราเราดีขึน้นเราได้สามารถที่จะสงบระงับจิต ใ, ใจได้เยอะไม่ไม่ไม่ ไ, ม ไ, มไมปยุ่งเกี่ยวกับใครความคิดเหล่าเนี้ยความปรงแต่งความรู้สึกอย่างเงี้ยที่เกิดขึ้นในใจในทุกขณะปัจจุบันน่ะ เราเห็นว่ามันเป็นสังขารปรุงแต่งเป็นสังขารแต่ว่าปรุงแต่งคือมันเป็นการมีการกับเครื่องของจิตมีการไหวไห ว, ว, วตัวของจิตเป็นอาการของจิตหรือเป็นอาการของใจที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีแล้วหายไปไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัว ต, วตนของเราก็อย่าไม่ไม่เข้าไปยึดมัน่นถือมั่นว่าหลงว่าเนี่ยเป็นตัวเป็น ต, ตนของเราเจริงๆไอ้ความคิดหรือความรู้สึกว่าเออเราไม่ได้ค่อยเข้าไปยุ่งกับอะไรกับสิ่งใดแล้วเนาะเรา ตอนนี้รู้สึกว่าเราสงบมากเราอย inde, like ่างวุはは่นเราอย่างนี้เราอย่างนั้นไม่จัดเราในคิดอย่างนี้เราดีหรือเราสบายเราเป็นสุขเออตอนนี้เราเบาดีหรือว่าเอ้ตอนนี้เราไม่เราไม่ค่อยดีหรือเราเป็นอย่างวุ่นเราเป็นอย่างนี้เออเราเราหลดถอดถอยนี้อย่างยงนู้นหรือเปล่าหรือว่าเราไม่ถอดถอยหนีรู้สึกว่าเราดีขึ้นไหม่ะไรเนี่ยความคิดความรู้สึกอย่างนี้ที่เกิดขึ้นในขณะปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันให้เห็นว่ามันเป็น สิ่งปรุงแต่งเป็นอาการปรุงแต่งหรือเป็นสังขารปรุงแต่งสังขารก็แปลว่าปรุงแต่งกันแหละคือคําว่าปรุงแต่งก็คือว่ามันเป็นความปรุงแต่งที่เกิดขึ้นแล้วมันก็จะต้องดับไปมีแล้วก็หายไปปรุงแต่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีแล้วหายไปไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราให้ปล่อยวางไปให้หมดทุกขณะปัจจุบันไม่ใช่ไ ป, ไปทำอะไรเขานะ แต่เห็นว่าเขาเป็นสังขารแล้วก็วางลงเขาเป็นสังขารเพราะไอ้สังขารใจมันก็ไม่เข้าไปยึดเองไม่เข้าไปยึดเองทุกกริยาการที่กระเพื่อมได้ไหวตัวได้มีแม้แต่มีความรู้สึกว่าเป็นเราที่มันพูดกับตัวเองว่าเราอย่างงั้นเราอย่างนี้เราอย่างงูเราอย่างเนี้ยให้เห็นว่ามันเป็นสังขารทั้งหมดเลยเป็นสังขารเป็นสิ่งปรุงแต่งสิ่งใดเป็นสิ่งปรุงแต่งสิ่งนั้นเป็นการไหวตัวของจิตเป็นอาการของจิตเป็นการกระเพื่อมไหวตัวขึ้นมาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีแล้วหายไปไม่ใช่เราไม่ใช่่่ตตััววเเรราาไมใชส อย่างนี้ก็ไม่ทราบจะเข้าใจไหมตุตาพูดอย่างเงี้ยเข้าใจนะคะอ่าทวนหม่ที่ถ้าเข้าใจตัวทำความเข้าใจก็คือ<ด>ว่ า, า, จ, ารจริงจริงมันก็คือเหมือนเป็นอาการทั้งสงสัยยินดียินร้ายว่าในตัวของเราเนี่ยเอ่อมีอาการเอ่อว่าเอ้ยเราสงบนะเราดีนะหรือว่าตอนนี้เราเมีความรู้สึกว่าเอ้เราจะ ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวนะหรืออะไรก็คือว่าพยายามอย่าคิดหมายถึงว่าให้เห็นในอารมณ์ที่คิดแบบเนี้ยว่าให้เป็นสังขารคือขึ้นอยู่คือมีขึ้นมาก็ให้ดับไปไม่ต้องไปไปสงสัยหมายถึงว่าถึงเราจะคิดว่าเราปฏิบัติ ด, ดีหรืออะไรก็คือให้มนันขึ้นขึ้นขึ้นมาแล้วก็ดับไปตามที่อาการสังขารที่มันปรุงแต่งไปอืมอหมือนกันเนี่นยใช่เราะ ตอนหลังๆเหมือนมีเออาจจะเป็นคนรอบข้างอะไรนะค่ะเขาก็จะแบบว่าเอ้ยเหมือนแบบเราไม่มีอารมณ์นึกคิดอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะเป็นถ้าถ้าเป็นแบบเนี้ยหนูเข้าใจว่าอาจจะเป็นเพราะว่าหนูพยายามที่จะเหมือนแบบว่าไประงับไปไปสะกดมันไวอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับว่าคล้ายๆแบบว่าเอ้ยตอนนี้เป็นอย่างดวงตาว่าจริงๆอะค่ะคือแบบว่าเอตอนนี้เราแบบ บางทีอาจจะอยู่ในพอสภาวะอารมณ์ที่นิ่งๆอยู่หรือเบาสบายอยู่แล้วก็เกิดมีเหตุการณ์อะไรเข้ามารอบตัวเราก็มีอาการว่าไอ้เพิ่งเฉยว่าไอ้อาการสบายนะตอนนั้นเนี่ยมันเป็นอาการที่ดีแล้วเราก็พยายามที่จะผักไสอาการอื่ น, นๆไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ก็คือเราไปยึดมั่นหมายความว่าหนูไปยึดติด ก, กับ ก็คืออารมณ์สังขารนะความสบายนะตอนนั้นใช่ไหมคะม<ด>คือ ม, ม, มันมีทั้งอาการสบายที่เราไม่เห็นว่าเป็นสังขารค่ะอาการสบายก็เป็นสังขารความรู้สึกว่าเราสบายแล้วก็เราก็ปฏิเสธอันอื่นที่ทําให้ไม่สบายค่ะก็เป็นสังขารเหมือนกันค่ะแต่ก็เห็นว่าเป็นสังขารใจก็ไม่เข้าไปหลงกับสังขารนั้นแล้วก็ไม่ไปยึดสังขารเห็นว่าเป็นความปรุงแต่งก็ปล่อยวางไปทุกนณฬาปัจจุบันเออบูมครับะบูมครับ บูมก็เป็นไงบ้างปูมก็ท้าท้าความนิดนึงก่อนเน <laughs> uh ี uh. ่ยอยากเจอหลวงตามานานแล้วอย่างวันนี้ไปต่างจังหวัดแล้วก็กลับมาฟังของหลวงตาตลอดเลยครับ uh huh. โหลดจากในเน็ต เ, เอา uh huh. ครับก็การปฏิบัติทุกวันนี้ก็สวดมนต์นั่นสมาธิทุกวัน uh huh. ไม่ขาดครับแล้วก็ อ่ทีนี้คําถามก็คือบางทีตอนตอนฟังหลวงตาผมบางทีก็เดินจงกรมไปด้วยแล้วก็ฟังไปด้วยบางทีมันเข้าใจสิ่งที่หลวงตาเทศมันก็จะมันก็วิงอยู่ปิ้งอยู่แป๊บหนึ่งสักสักชั่วโมงหนึ่งแล้วมันรักมันมันรักษาตรงนั้นไม่ได้แล้วสักสพักหนึ่งมันก็กับหลังก็ค่อยถดถ อ, อดถอยถดถอยลงมาเพมันเป็นใจนจังทุกอย่างเป็นในจังไม่เที่ยงหมด แม้แต่สภาวะธรรมแม้แต่ความรูค้ความเข้าใจก็เปน็นอนิจจังทุกอย่านะตาเปลี่ยนไปแล้วก็ต้องไปมีความรูค้ความเข้าใจใหม่เรื <S <S ่อยอปมันปิ้งแล้วมันจะผ่านไปเดี๋ยวก็จะพัฒนาขึ้นต่อยอดไปกเมืม่อเราไม่ละความเพียรมันจะปิ้งใหม่ไปถ้าปิ้งแล้วเที่ยงนะไม่ต้องไปปิ้งอื่นแล้วปิ้งอันเดียวพอเลยมันก็ไม่ไปอย่างอื่นได้แล้วมันไม่เที่ยงหรือมันต้องไม่เที่ยงมันต้องไปปิ้งอันใหม่ได้เรื่อยไปที่สูงขึ้นไปเรื่อยเพราะฉะนั้นปิ้งแล้วเนี่ย ม, มันก็เออมันก็ไปต่อยอ ด, ไปไปไปไดขนขั้ต่อไป ปิ้งแต่ละครังก็เป็นบันไดกันต่อไปมันจึงต้องไม่เที่ยงกัเพราะว่าเราจะได้ไปปิ้งอันใหม่ไงองตามีอะไรแนะนำเพิ่มครับก็มาได้ดีแล้วช้ได้แล้วละ่ะไม่ได้ดีได้ได้เยอะแล้วละ่ะตอนนี้ก็เหลือแต่ว่าคือหลงเอาตัวเราไปเป็นตัวสังขารคงแต่งคือไปดินน้นรนไปค้นหาไปวิเคราะห์ไปพยายามให้ไป ไปไปวิเคราะห์วิจารณวิจัยหาพยายามหาทางให้ตัวเองพ้นทุกข์จะทํางี้รู้อย่างงี้เพื่จะเป็นอย่างนั้นเพื่ออย่างนั้นหรือจะเป็นอย่างงี้คือเอาตัวเราเนี่ยเอาสังขารน่เป็นตัวเราเอาตัวเราไปเป็นตัวสังขารอันเดียวกันคือหลงเอาสังขารน่เป็นตัวเราหลงว่าตัวเราเป็นสังขารคือสังขารน่ะไม่มีตัวเราหรอกไม่เป็นตัวเรามันเป็นเป็นอะไรจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีแล้วหายไปตัวตนไม่มีสังขาร่อันเนี่ยเราไปเอาตัวเราไปเป็นสังขารซะหรือพอเราตัวเราเป็นสังขารหรือสังขารเป็นตัวเราแ้้วตรไไไไไปปปปค่ดดุงง เลยกลายเป็นเอาสังขารเป็นตัวเราตัวเราไปเป็นสังขารได้เลยแต่เนี้ยตัวเราไม่มีไม่มีตัวเราเป็นสังขารได้นะเราไม่มีไม่มีตัวตนมันก็มีแต่สังขารคือขันห้าเป็นอรูปไปธนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นร่างกายที่มีความรู้สึกไปคิดอารมณ์ได้ไม่ก็เป็นขันห้าเป็นสังขารไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราและไม่มีตัวเราอยู่ในขันห้าแล้วก็ใจที่ไม่สังขารเป็นวิสังขาร คือใจเนี่ยไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างอะไรแล้วสังขารไม่ได้เป็นวิสังขารธรรมชาติก็มีแค่สองอย่างคือธรรมชาติของสังขารกับธรรมชาติของใจที่ไม่สังขารแต่ในทั้งธรรมชาติที่เป็นสังขารและธรรมชาติที่ใจที่ไม่ไม่ไม่เป็นสังขารเนี่ยที่เป็นวิสังขารไม่มีตัวเราไม่มีตัวตนของเราในนั้นมันมีแต่ธรรมชาติธรรมชาติของใจที่ไม่ขับยึดไม่อาจยึดอะไรได้เป็นใจที่ไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเลยเหมือนกับเป็นเป็นจักรวาลเป็นความว่างเปล่าของจักรวาล ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยแล้วก็มีสิ่งที่เกิดดับในใจคือมีสังขารทั้งหมดเกิดดับในใจก็เหลือแต่ธรรมชาติคู่กันอย่างเงี้ยตลอดการแต่ไม่ใช่ตลอดการคือตลอดเวลาคือถ้าเราเข้าใจนะมีสติปัญญาเข้าใจก็คือใจเนี่ยไม่มีตัวตนหรอกไม่มีตัวใจด้วยนะไม่มีตัวใจใจเนี่ยเปรียบเหมือนเป็นไม่มีตัวตัวใจอยู่ในในในตัวเราด้วยมันมันเหมือนกับเป็นความไม่มีอะไรเลยเหมือนกับเป็นเป็นความว่างเปล่าจักรวาลเหมือนกับเป็นธรรมชาติ ที่วา่างเปล่าตอนหน้าท่านเนี่ยไม่ใช่เป็นความรู้สึกว่างนะเป็นความว่างจากตัวตนว่างจากอาการว่างจากปฏิกิริยาอะไรใดทั้งหมดแล้วก็มีปฏิกิริยามีความคิดมีการกระเพื่อมมีการไหวตัวต่างๆ ท, งทุกความรู้สึกมันคิดต่างๆติกต้องคิดติดตองวิเคราะห์วิจารวิจัยพยายามดิดล้นค้นหาไอ้นี่ยมันเป็นสังขารทั้งหมดนะเป็นสังขารที่เกิดดับอยู่ในความไม่เกิดดับสังขารที่เกิดดับอยู่ในใจที่ไม่เกิดดับเี่ยเมื่อไม่มีใครยึดถืออะไรใจมันก็เลย ไม่มีตัวใจมันเหมือนกับเป็นความเป็นเตร น, นจักรวาลที่ว่างเปล่าแล้วก็มีสิ่งที่มีความรู้สึกสุขทุกข์ตื้อๆแน่นๆปโป่ ง, งๆโล่งๆเบาสบายคิดนึก ต, อ, ตอมแต่งอะไรมันก็เปลี่ยนไปสลับไปสลับมาแต่มันเกิดดับเปลี่ยนแปลงอยู่ในใจที่ไม่ในใจที่ไม่เกิดดับคือไม่มีตัวใจหรอกพูดว่าใจแต่ไม่มีตัวใจไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลย น, นี่เข้าใจไหม แต่พอเราไปเป็นสังขารเราตัวเราเนี่ยไปคิดไปคนไปดิด้รนไปวิเคราะห์วิจารวิจัยมันเอาขันห้ามาเป็นตัวเราเอาตัวเราไปเป็นขันห้าที่มันมีการกระเพื่อมได้ไหวตัวได้วิเคราะห์วิจารวิจัยได้อืเข้าใจตรงนี้ไหมถ้าเข้าใจตรงนี้ได้สุดยอดเลยนะเหมือนเหมือนเอาตัวเราไปพยายามที่จะหาทางพ้นทุกข์แล้วก็คิดว่าสังขารเนี้ยเป็นเราออือ เหมือนจะเอาเอาเราไปเอาเราเพื่อไปไปอีกจุดหนึ่งที่พ้นทุกข์อะไรเช่ยนี้ถูกต้องถูกต้องถู้งที่ก็แค่ก็แค่เข้าใจว่าตัวเนี้ยมันไม่ใช่เราอยู่แล้วสังขารตัวนี้ไม่ต้องพาอะไรไปถึงอะไรใช่ไหมถูกต้องเลยนี่ๆๆมีปัญญาดีอมีปัญญาดีมากๆๆครับเดี๋ยวถ้ามีคําถามจะถามอีกอ้าวตาทุกอาวเอาซืออาอา้อไปอาการาบนมัสการหลวงตาค่ะชื่ออะไรเนาะ ยังก็เคยมาเนาะค่ะยังไม่เคยมาแต่เคยไปกราบท่านที่สกลนครค่ะที่วัดป่านางลิมีเออเคเห็นหน้าอยู่ทั้งกว่าท่านคหนูรานิดาจิตราอาพรค่ะท่านนู้ยากอะไรนะเออรานิดาจิตราอาพรค่ะขอกลาวราิดารานิดาราิตาราิดารานิดาเลียแล้วก็ดาเดะนันหัวค่ะท่านรานิดาค่ะจิตราอาพรค่ะท่านรานิดารานิดา ก็ดีหมดเลยดีหมดล้วสงสัยอะไรดีหมดนะจะได้โ็ก็ดีทำก็ดีค่ะหนูหนูจะปฏิบัติไปทางไหนดีคะท่านที่ถูกจจเลยนะก็ก็ดีอยู่แล้วปฏิบัติก็ดีอยู่แล้วเนี่ยเอะเราสงสัยอะไรก็หนูไม่ไม่ค่อยไม่หักมาเกิดดีกว่าเอาพอดีแล้วเนี่ยไม่อยากมาเกิดก็ไม่ต้องเกิดเนาะเออดีแลวสาธุค่ะสาธุสาธุค่ะพอสร้างมาหลายแล้ว เราสร้างมาหลายแล้วได้ไดลนดดดนันิออออออดาแก้ไขได้ในปัจจุบันเออไอพวกติดปยปลามันจะมาติดเหมือนกันหมดมาหลงเหมือนกันหมดเลยเหมือนกับ ท, ที่ที่ที่พูดกับบูมไปเ ม, มื่อกี้พูดกับบูมไปเราัปยังมาไม่ทันเนา ะ, ค, ะคือมันจะมาติดเหมือนกันหมดแตคือตรงปลายคือว่าอธิบายตรงนี้จะเข้าใจไมไหยจะเข้าใจไหมคือสังขารเนี่ยสังขารปรุงแต่งหลงเอาตัวเราไปเป็นสังขารปรุงแต่งหลงเอา ขันห้าสังขารของขันห้าที่เป็นสังขารปรุงแต่งเนี่ยเอามาเป็นเราเอาตัวเราเป็นสังขารว่าเป็นตัวเป็นตนแล้วก็เอาตัวเราไปดิ้ลรนไปค้นหาไปติเคาะหาทางพ้นทุกข์เอาตัวเราไปให้ไปพ้นทุกข์ได้จะหาทางให้ตัวเราไปพ้นทุกข์ได้แต่จริงๆกับตัวเราไม่มีหรอกไม่มีตัวตนของเราหรอกมีแต่ใจที่ว่างเปล่ากับกับขันห้าที่มันปรุงแต่งได้กับใจที่ว่างเปล่าที่ไม่ว่างเปล่าจากตัวตนกับมีแต่ขันห้ารูปเป็นาฏเสียงาสังขารมิจารที่ทํางานจิ๊กกิ๊กกิ๊กกิกแต่พรากว่าเราพลาดไปเน เราเข้าใจผิดคือเราหลงเอาตัวเราไปปรุงแต่งอย่างนี่ยเอาตัวเอาตัวขันห้านี่เนี่ยซึ่งมันเป็นสังขารที่ปรุงแต่งได้ปรุงแต่งเป็นตัวเราอ่ดิ้นลนค้นหาจะต่างทางให้ตัวเราไปบรรลุนิพพานให้ได้ทํำยังไงเอ๊ะทำยังไงถึงจะบรรลุนี่อย่างนี้รู้ทำนี้รู้มาอย่างนี้จะทําอย่างนั้นเอ๊อย่างนั้นจะทำอย่างนี้จะเอาตัวเราไปบรรลุนิพพานให้ได้ปรากฏว่ามันผิดเนะมันผิดตัวตัวเราไม่มีมันมีแต่ใจที่ว่างเปล่ากับขันห้าที่รูปไปธนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ มันเป็นตัวที่ปรุงแต่งแต่เรากลับไปเป็นตัวปรุงแต่งได้มีตัวตนเป็นปรุงแตง่งก็เป็นเรื่องเป็นราวจริงๆจังๆเนี่ยอันนี้เข้าใจไหมเนี่ยคพอเข้าใจค่ะท่านเออเอ้เก่งมากวันนี้เราวัดสุดมาตรงนี้มันยากนะคนเข้าใจง่ายมากพอเข้าใจค่ะพอเข้าใจว่า ย, ยึดขันห้าอยู่เออใช่ใช่ยึดขันห้ายึดแล้ ว, ย, วยึดว่ามีตัวเราค่ะจริงๆมีหราเ <ๆ S 2> นี่ยมีแต่ใจที่ว่างเปล่ากับอาการที่เกิดดับในใจที่ว่างเปล่าแค่นั้นแน่ใจไม่ใช่เป็นความรู้สึกว่างนะคือ เป็นความว่านจากตัวตนว่านจากความจิตมั่นถือมั่นใจอ่ะใจมันเป็นความว่านจากความจิตมั่นถือมั่นว่านจากตัวตนแล้วก็มีอาการเกิดดับอยู่ในใจมีาการเกิดเกิดดับดับเกิดเกิดดับดับอย่างนั้นแหนะไม่มีหรอกไม่มีอะไรไปวิ่งไม่มีนพิพพานที่อื่นหรอกแล้วก็ไม่มีว่ามีตัวเราไปถึงนิพพานอะไรหรอกมีแต่ถึงใจถึงใจที่ไม่ถึงใจที่มันมันไม่มีตัวตนเออมันไม่มีตัวตนปูงแต่งไม่ได้ถึงใจผู้ใดพบใจผู้นั้นพบธรรมผู้ใดถึงใจผู้นั้นถึงพันนิพพาน เนี่ยที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ว่าไม่ได้ไปถึงที่ไหนหล้วไม่มีตัวเราไปถึงที่ไหนแร้วไม่มีนิพพานที่ไหนแล้วถึงใจตัวเองถึงใจตัวเองที่มันไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่ทําลายเป็นอมตะเข้าใจไหมเข้าใจค่ะอืมสาธุเข้าใจไม่ยากจะไ ด, ด้นี่เห <c oughs> ็นไหเนี่ดูหน้าปกเขาดีนะเข้าใจดูหน้าปกเขาดีเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันอะไรหน้าปกเป็นอะไรเออจะเป็นอะไรเนี่ะ เอ่มีตัวตนไปหาอะไรศูนย์เออมีตัวตนไปหาสุญญาตาหานิ r v a n มีตัวตนไปเห็นไหมมีตัวตนเนี่ยไปสแสวงหาทางพ้นทุกข์ไปสแสวงหาิ Nirvana เห็นไหมเนี่ยอันี้เป็นวงเนี่ยมันเหมือนกับปฏิจจสมุปบาทเนี่ยแล้จะหนีออกจากปฏิจจสมุปบาทเนี่ยคือปฏิจจสมุปบาทเมื่อหักสะบ้านเนี่ยหักสะบ้านแล้วก็จะไปหานิพ v a n a แล้วเนี่ย เป็นยังไ ง, งือเนี่ยบบเออเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเข้าใจไหมล่ะนี่เนี่ยคือใจใจว่างเออว่างถังว่าจากตัวตนว่างจากตัวตนเห็นไหมไม่นี่เห็นไหมเนี่ยนี่มันมีความหมายใช่ไหมถ้าเข้าใจแค่นี้เนี่ย มันก็จะเป็นใจที่เป็นแบบเนี้ยตลอดการเป็นอมตะนะเนี่ยเป็นตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยตายแล้วก็เป็นนี้ตลอดการไอ้นี่หายไปหายไปไม่ได้หายไปแต่ธรรมดานะหายตายแล้วก็หายไปเลยตัวเนี้ยปัจจุบันก็หายไปเลยเหลือแต่อันนี้ใจเหลือแต่นี้เหลือแต่มีอาการแป๊บแป๊บแๆแต่ใจก็เป็นอย่างนี้ตลอดการพอตายแล้วพอถึงขันหน้ถึงข่าวที่ที่ยสทธไถ่นะขันหนาดับจริงจไอ้ตัวนี้หายไปตลอดการไม่มีตัวใหม่เลยไม่ไปเกิดเป็นจิตยานเปเรสุรกายสัตนรกไม่ไปเป็นรูปร่างอะไรต่อไป แล้วแต่นี่เป็นอมตะ น, นี่อมตะไม่ตอบเขาเขาเรียกว่าอมตะธาตุอมตะธาตุอตาามตะธาตุ